4.12 นิโรธมีห้าระดับวงเล็บเปิด14มกราคม2550ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีเจวงเล็บปิดใจของเราบางครั้งมันก็เข้าถึงนิโรธเหมือนกันเช่นเรารู้สึกตัวขึ้นมากิเลสดับวบลงไปใจโล่งว่างสว่างไม่ปรุงแต่งไม่มีอะไรมันชั่วแวบหนึ่งนะมันก็เป็นนิโรธเหมือนกันแต่ไม่ใช่ถึงขนาดนิพพาน นิโรธมีห้าระดับถ้าเรามีสติระลึกรู้สภาวะปับ๊บใจเข้าถึงนิโรธกิเลสดับลงตรงนั้นความทุกข์ดับลงตรงนั้นมันเป็นนิโรธชนิดที่สองนิพพานเป็นนิโรธชนิดที่ห้าชนิดที่สามก็คือนิพพานในขณะที่เกิดมรรคหรือนิโรธในขณะที่เกิดอริยมรรคหรือบางทีก็วิมุตใช้คำเดียวกันวิมุตมีห้าอย่างนิโรธมีห้าอย่างอีกอันหนึ่งอันที่สี่ก็คือ การเห็นนิโรธหรือนิพพานในขณะเกิดอริยผลอันที่ห้าก็คือตัวนิพพานอันที่หนึ่งคือการสงบจากกิเลสเพราะการทําสมถะถือว่าเป็นนิโรธเหมือนกันเป็นวิมุตต์เหมือนกันเป็นวิมุตต์ขั้นต้นที่สุดเลยคมลงไปด้วยสมถะอันที่สองรู้ด้วยสติแล้วมันไม่ปรุงแต่งได้ชั่วแวบหนึ่งแต่เราไม่สามารถทรงอยู่กับแวบหนึ่งนี้ได้เพราะความปรุงแต่งอันใหม่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลย เพราะฉะนั้นก็เลยสู้กันได้ทีละขณะขณะเป็นคราวๆไปตอนเกิดอริยมรรคอริยผลเวลาเกิดจะเกิดคู่กันต่อนเนื่องกันเลยเกิดอริยมรรคอริยผลจิตไปเห็นนิพพานคราวนี้เห็นนานหน่อยสองสามเวบ็บนี่ขนาดนานนะสองสาว็บเห็นแค่นั้นแหละไม่เห็นเยอะหรอกความปรุงแต่งก็กลับเข้ามาห่อหุ้มจิตใหม่ได้สกิทาคาก็หลุดออกมาอีกเห็นนิพพานอีกสองสามเวบครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่า เคยเห็นนะแต่ไม่เข้าใจบางครั้งพอได้โซดาสกิทาคาอนาคาแล้วนี่บางครั้งใจก็เข้าไปรู้นิพพานได้แต่ปุถุชนเข้าไปรู้นิพพานไม่ได้นะเข้าไปรู้ได้แค่ช่องว่างที่พวกเราบอกว่าไปอยู่กับสุญญาตาสุญญาตานะสุญญาตาตัวปลอมมันแค่ช่องว่างที่จริงไม่ใช่สุญญาตามันคืออากาสานัญญาต น, นะวงเล็บเปิดยานที่กาหนดอากาศคือช่องว่างอันหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์วงเล็บปิด พระอริยะบุคคลถ้ามานัสิการถึงนิพพานก็เห็นได้เป็นคราวๆบางครั้งก็ภาวานารู้กายรู้ใจแล้วก็เพิกถอนวางกายวางใจลงไปใจก็ไปเห็นนิพพานพอเห็นนิพพานแล้วก็ถอยออกมานะไม่รู้ว่าจะเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรเห็นอยู่นะแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจมันเพราะฉะนั้นถ้าภาวานามากเข้ามากเข้าในที่สุดเกิดความเข้าใจเข้าใจในนิพพานเรียกว่ามีวิมุตติญาณทัศนาแจม่มแจ้ง ก็พบว่ามันไม่เคยหายไปไหนเลยเราตังหากละเลยไม่สนใจมันไม่เห็นประโยชน์หลวงปู่ดูลเคยบอกเรื่องประหลาดหลวงปู่ดูลนี่อยู่บ้านนอกอยู่ป่าอยู่เขามาตลอดชีวิตนะไม่ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อะไรท่านวิจาร์ไอสต่์ได้นะท่านคงพิจารณาของท่านเองบอกไอสตา์นี่เก่งนะสามารถพิจารณาไปถึงนิพพานได้แต่เขาไม่เห็นประโยชน์เขาไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรเขาเลยไม่เอาท่านวิจาร์อย่างนี้ สิ่งที่ปิดบังนิพพานไว้ก็มีรูปนามขันห้าและสมมุติบัญญัติไอสไตล์เก่งนะถึงขนาดมองว่าตัวเราที่แท้จริงเป็นแค่เศษธุลีในจักรวาลเล็กนิดเดียวไม่มีในยะอะไรเป็นแค่เศษทุลีในจักรวาลแต่ความสำคัญตัวสำคัญมั่นหมายขึ้นมาว่าตัวเรามีอยู่จริงๆมนุษย์ก็เลยแยกตัวเราออกจากสิ่งที่แวดล้อมอยู่เกิดเราเกิดเขาเกิดสิ่งแวดล้อมขึ้นมา ไอนสไต์มองเห็นนะว่าจริงๆตัวตนที่แท้จริงไม่มีหรอกเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลช่วขณะหนึ่งเท่านั้นสัมพันธ์ช่วขณะแล้วก็ดับสลายนี่หลวงปู่ดูลนท่านวิจารณ์นะประหลาดเรายังไม่เคยอ่านเลยหลวงปู่ดูลนบอกว่าไอน์สไตน์ไม่รู้มรคแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรเขารู้จักแต่ประโยชน์ที่จะเอาออกมาทางานทางโลก